บุ๊กทูสามสิบสองทอีดเวอที่ร้านอาหารสตตวฟรตรานต ของมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ Edna porcija p e t o n a porcija e r t o f i sa sketchup l e m o dve p o r c i m z a I dve p o r s z a และไส่กร อ, อกกับมัสตาร์ดสามที่ อ, อซคุณมีผักอะไรบ้างครับุ ค, คุณมีถั่วไหมครับ อิมัตลบอบอิมัตติลิเซลบอคุณมีดอกกระระมไหมครับอมตลวนอมวนผมชอบทานข้าวโพดหวานออออบูบชมซาผมชอบทานแตงกวา a อบิชมคราสตาวิอบิชมคราสตาวิซผมชอบทานมะเขือเทศ a สอบิชมดมติ a สอบิชฌมดมติคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ伊วลอบิชตเชสัวลอบิชตเชั คุณชอบทานกะหล่มปีดองด้วยใช่ไหมครั บ, บ ค, รคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครั บ, บ ค, รคุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมครับ อิติลอบชิชมอร์คโควิคุณชอบทานบอกเรี่ด้วยใช่ไหมครับอิติลอบชิชบรอคโคลีคุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับอิติลอบชิชพริกเผา ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ as n e อ b i j e m luk as n e b i m luk ผมไม่ชอบมะกอก as n e อ b i j e m maslini as n e b i m maslini ผมไม่ชอบเห็ด as neubijem g o b as n e b i m g b